บิดาวิ่งบอลให้ลาสิกขาสาิในคืนนั้นมานดาของพระสุทินสั่งให้เอามูลโคสดมาฉาบทาพื้นดินแล้วแบ่งรัพย์ออกเป็นสองกองคือเงินกองหนึ่งทองกองหนึ่งเป็นกองใหญ่เท่าเท่ากันสูงท่วมศีสะัะคนยืนอยู่ข้างนี้จะมองไม่เห็นคนยืนอยู่ข้างโน้นคนยืนอยู่ข้างโน้นจะมองไม่เห็นคนยืนอยู่ข้างนี้ ใช้เสื่อลำแพนปิดกองทรัพย์ไว้ตรงกลางจัดอาสนะช้ม่านตรงกลางจัดอาสนะช้ม่านล้อมเป็นวงเสร็จแล้วเรียกอดีตภรยาของท่านพระสุทินมาสั่งว่าลูกหญิงเธอจงแต่งกายด้วยอภร์ที่ลูกสุธินเคยรักให่ชอบใจลูกสะพยรับคําสั่งแม่ผัวแล้ว34พอรุ่งเช้าท่านพระสุทินครองอันตรวาศกคือบาดและจีวร เข้าไปถึงเรือนโยมบิดาครั้นถึงแล้วได้นั่งบนอาศนะที่เขาจัดถวายลำดับนั้นโยมบิดาของท่านเข้าไปหาแล้วให้คนเปิดกองทรัพย์ออกกล่าวว่าลูกสุทินนี่คือทรัพย์ฝ่ายมารดาเป็นสมบัติฝ่ายหญิงที่ได้รับมาทางฝ่ายมารดาของพ่อมีอีกต่างหากส่วนของปู่อีกต่างหากลูกสุทินจงกลับมาเป็นเคราะห์เถิดจะได้ใช้สอยรั์สมบัติและทาบุญ ท่านพระสุทินตอบว่าโยมอาตมาไม่อาจไม่สามารถอาตมายังพอใจประพฤติพรหมจรรย์อยู่โยมบิดาของพระสุทินวิงวอนเป็นครั้งที่สองเป็นครั้งที่สามว่าลูกสุทินนี่คือทรัพย์ฝ่ายมารดาเป็นสมบัติฝ่ายหญิงที่ได้รับมาทางฝ่ายมารดาของพ่อมีอีกตังหากส่วนของปู่อีกตังหากลูกสุทินจงกลับมาเป็นเครือขัดเถิดจะได้ใช้สสยทรัพย์สมบัติและทาบุญ ท่านพระสุทินตอบว่าอัตมาขอพูดบ้างถ้าโยมไม่ขัดข้องบิดาของท่านตอบว่านิมนต์พูดเถิดลูกสุทินท่านพระสุทินกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นโยมพ่อจงสั่งให้ทำกระสอบป่านใบใหญ่ๆบรรจุเงินทองให้เต็มบรรทุกเวียนไปแล้วโยนลงกลางแม่น้ำคงคาเพราะอะไรเพราะโยมพ่อจะไม่ต้องกลัวไม่ต้องหวาดระแวงไม่ต้องขนพองสยองกล้าวไม่ต้องมีการดูแลรักษา ซึ่งมีสาเหตุมาจากทรัพนั้นเลยเมื่อท่านพระสุธินกล่าวอย่างนี้โยมบิดาของท่านเสียใจด้วยคิดว่าลูกสุทินกล่าวอย่างนี้ได้อย่างไรสามสิบห้าต่อมาบิดาของพระสุทินเรียกอดีตภรยาของท่านมาสั่งว่าลูกหญิงเจ้าเป็นที่รักใคร่พอใจบางทีลูกสุทินจะเชื่อเจ้าบ้างท่านใดนั้นนางจึงจับเท้าทั้งสองของพระสุทินพลางถามว่าหลวงพี่นางอภสรพวกไหนเล่า ผู้เป็นต้นเหตุให้หลวงพี่ประพฤติพรหมจันทร์ท่านพระสุทินตอบว่าน้องหญิงอัตมาไม่ได้ประพฤติพรหมจันทร์เพราะนางอัปสรเป็นเหตุนางเสียใจด้วยคิดว่าวันนี้เป็นวันแรกที่หลวงพี่สุธินเรียกเราว่าน้องหญิงจึงล้มสลบลงตรงนั้นท่านพระสุธินบอกโยมบิดาว่าโยมพ่อถ้าโยมจะถวายโภชนะก็จงถวายอย่าทําให้อัตมาลําบากใจเลยบิดาของท่านจึงนิบบนให้ฉันจากนั้น มารดาบิดาของท่านประเคณนของเคี้ยวของฉันอันประนีตจนกระทั่งอิ่มหนำจากนั้นมารดาบอกพระสุทินผู้ฉันเสร็จว่าลูกสุทินตระกูลเรานี้บังคั่งมีทรัพย์มากมีโพค่ามากมีเงินมีทองมากมีเครื่องประดับมากมีทรัพย์และข้าวเปลือกมากท่านควรกลับมาเป็นเครือัดจะได้ใช้สอยทรัพย์สมบัติและทาบุญมาเถิดลูกสุทินกลับมาเป็นเครือัดเถิดจะได้ใช้สอยทรัพย์สมบัติและทาบุญ ท่านพระสุทินตอบว่าโยมแม่อัตมาไม่อาจไม่สามารถอัตมายังพอใจประพฤติพรหมจรรย์อยู่มารดาพระสุทินวิงบอลแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สานางกล่าวว่าลูกสุทินตระกูลเรานี้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภค่ามากมีเงินมีทองมากมีเครื่องประดับมากมีทรัพย์และข้าวเปลือกมากลูกจงให้ผู้สืบเชื้อสายไว้เจ้าฤาวีจะได้ไม่ริบ มรดกของเราที่ขาดผู้สืบสกุลกุณโยมเรื่องนี้อาตมาพอจะทำได้เวลานี้ลูกพักอยู่ที่ไหนอาตมาพักอยู่ที่ป่ามหาวันพระสุินตอบแล้วลูกจากอาสนะหลีไป